พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเจ็ดลำดับที่สิบเจ็ดโดยหลวงพ่ออินท า, ายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าลูกพระพุทธเจ้าต้องเคารพกัน วันนี้เป็นวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2556เป็นวันพระเดือน9เพนเข้าพรรษามาหนึ่งเดือนพอดีแล้วก็เป็นวันนี้เป็นวันาศาสตร์จีนเป็นวันไหว้เจ้าของพี่น้องชาวจีนทั้งดูในประเทศไทย ก็เป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวจีนวันนี้เป็นวันไหว้เจ้าพวกเราก็เป็นวันอุโบสถที่อุโบสถจบตรงสักครู่นี้เป็นการสวดพระปฏิโมกข์ทุกกลึ่งเดือนพวกเราจะได้ฟังสิทและวิในเพื่อการทบทวนสิลและวิใน พวกเราถ้าว่าไม่มีการพูดถึงเสลยก็ก็จะห่างเขินไปเรื่อยขนาดพูดถึงบ่อยถึงขนาดนี้ทุก15วันพวกเรายังลืนลางยังไม่ให้ความสำคัญยังไม่รู้จักอีกต่างหากไม่ได้สนใจอีกต่างหากฟังผลวกจบไปโดยที่ไม่ได้ติดตามกันกลองไตรตรองเหตุผล ตามไม่จริงพระเก่าผู้ที่จะดำรงทรงศาสนาต่อไปภายภาคหน้ายาวนานควรจะสนใจศีลและวินัยที่พวกเราสวดจบรงสักครู่นี้เพราะว่าเรื่องวินัยคือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันหรือว่าศีลที่เป็นหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐานพระพุทธเจ้าบัญญัติ วินัยบัญญัติสินหรือบัญญัติกฎระเบียบสำหรับให้พระสงฆ์ที่เขามาบวชหรือมาอยู่ด้วยกันมีหลายมีหลากหลายในวิชาอาชีพหรือว่าการเป็นอยู่ทางครวดมีทั้งสูงทั้งต่ำชาวไร่ชาวนา่อค้าขาราชการ ทุกหน่วยเราพอเข้ามาบวชแล้วคืออันหนึ่งอันเดียวกันให้คล้ายกับว่าเข้ามาในวงการพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าให้เป็นศากยบุตรพุทธชินนรสคือให้เป็นลูกพระพุทธเจ้าแต่การที่จะมาเข้ามาในอยู่ในจุดนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวิ น, นัยท่องถือเอาคุโสพันเตถ้าว่า ใครเข้ามาบวชก่อนก็ถือว่าผู้นั้นเป็นอาวุโสเป็นว่าเดินก่อนนั่งก่อนเป็นผู้แก่กว่าแต่ถึงผู้นั้นจะมีอายุมากแต่เข้ามาบวชที่หลังก็ถือว่าเป็นผู้น้อยอ่อนพรรษากว่าเพราะนั้นท่านถือพรรษาเป็นเรื่องใหญ่ในพระวินัยจุดนี้ก็เป็นเรื่องที่ จงยากพอสมควรในสมัยครั้งพุทธกาลเพราะว่าผู้ที่เป็นราชามหากัตรเศรษฐีพ่อค้าเป็นที่ยอมรับของคนในยุคสมัยนั้นพ่อเข้ามาบวชก็ยังไม่ลดละการยศถามบรรดาศักดิ์และยศตำแหน่งของตนเองพ่อเข้ามาบวชแล้วก็ยังสือถืออยู่แ่ามองพระสงฆ์ส่วนอื่น คล้ายๆว่าเป็นไม่ได้ความสำคัญเพราะตัวเองสำคัญทางคารวะมาแล้วจุดนี้ก็เป็นจุดที่มีพระวินัยขึ้นมาแต่ถ้าว่าผู้มุ่งหวังในอัตในธรรมจริงๆจะไม่เป็นอย่างนั้นคล้ายๆกับว่าต้องลดทิฐิมานะของตนเองมันไม่ใช่ลดทางอื่นลดในใจของตนเองอย่างที่ พระชายกลุงก บ, บิลพัทไปบวชทั้งหกท่านมีพระอนุลุทธอานนนเทวทัตกิมภริวคัคคุพัทยะแล้วก็มีพระศิวลีและอุบาลีไปด้วย <c oughs> อุบาลีก็คือเป็นช่างตัดผมช่างตัดผมในราชสำนัก อุปรลขอติดตามไปด้วยแต่พระกุมารทั้งหกเนี่ยก็ไปพอไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ถามว่าใครจะบวชก่อนคือศึกษาแล้วว่าถ้าว่าใครบวชก่อนพธานั้นต้องเป็นอาหุโสถ้าว่าใครบวดตามนั่นลงไปก็เป็นพันเต ตอ้กุงมารทั้งหนะเจ้าฟ้าชายทั้งหมาจากกรุงกระบินลพัฒท่านบอกว่าท่าน เ, เป็นเจ้าฟ้าชายเป็นผู้ใหญ่ไปนักสถานที่ใดคนก็กเคารพนอบน้อมเพราะเป็นพระชาย่อยังอุบาลีนี่ก็เป็นช่างการบกคือช่างตัดผมต้องให้ความเคารพพระชายทุกองค์ เพราะนั้นเวลาเราจะบวชเนี่ยพระชายทั้งหลายเนี่ยเราถ้าบวชขึ้นไปอุบาลีเนี่ยก็จะต้องเคารพพราเราเป็นอาวุโสไม่กล้าที่จะบวดตามขั้นเอาเธออุอบาลี เ, เป็นผู้มีอายุให้บวชก่อนพวกเราจะได้กราบได้ไหว้เพื่อลดทิธฐิมานะของพวกเราลงท่าน คิดถึงขนาดนั้นล่ะจากนั้นก็ให้อุบาลีที่เป็นช่างการบกชื่อช่างตัดผมบวชก่อนพอบวชเสร็จแล้วก็เรียงตามลำดับลงไปพริยาพักวักคุกิมพลิอนุรุทธะอานนนบวชตามลำดับกันไปพระชายมีเทวทัตบวช ด, ด้วยในกลุ่มนั้นนี่แหละอันนี้ก็คื อ, คอ การบวชเข้ามาแล้วท่านถ้าว่าท่านมีธรรมในใจท่านจะไม่ถือทิฏฐิมานะการ อ, อ, อ่อนน้อมถ่อมตอนนั่นนคือเป็นห้นทางแห่งปาดบันดิตการแข็งกระด้างไม่ยอมฟังเหตุและผละไปที่ไหนขวางแข็งด้วยทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความแข็งกระด้างแต่ตามไม่จริงทิฏฐิคือความเห็นเนี้ย มันต้องมีอยู่กับทุกคู่ทุกคนทุกคนก็ต้องมีความเห็นเห็นผิดเห็นถูกเห็นอะไรเห็นอยู่ในหลักธรรมวินัยเห็นในทางที่ถูกต้องเห็นในทางที่ไม่ถูกต้องสรุปก็คือมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิย่นย่อลงมาถึงจะเห็นยังไงก็เถิดถ้าเห็นผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นถ้าเห็นถูกก็คือสัมมาทิฏฐินี่แหละอันนี้เมื่อ เราบวชเข้ามาแล้วนะมันก็ต้องมีสองอีกแต่ถึงยังไงเราก็ต้องเคารพในผู้ที่บวชก่อ น, นมู้บบวชก่อนเราก็อ่อนน้อมอย่าไปถือกระด้าง พ, พระวินยัยท่านเป็นอย่างนั้นต่อไปเราก็อายุพรรษามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับผู้ที่บวชภายหลังก็เคารพเรา เป็นขั้นตอนลงไปไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเพียงแต่ว่าผู้ที่เขามาปวดนั้นอ่อในเมื่อเขามาปวดในพุทธศาสนาแล้วต้องอยู่ในกฎระเบียบภินัยของพระสงฆ์เพราะนั้นขอให้พวกเราฟังจุดนี้นะฟังศึกษาจุดนี้อย่าให้คำว่าแข็งกระด้างนะอย่าได้มีทิฏฐินั่นคือความเห็นนั้น มิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นมันลดไม่ได้จนกว่าที่พวกเราจะชำระใจของเราให้เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นอันนั้นคือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิโ ด, โดยโดยตรงหรือโดยเปลยายแต่ถึงยังไงก็เถอะบุญวาดศาสนาบา ร, รมีบา ร, รมีหรือบุญวาาสนาหรือว่นิสัยวาดาสนาแก้ไม่ตกอันนั้นมีอยู่ ทำไมจึงมาบูญวาสนาแก้ไม่ตกคล้ายๆว่าคนมีนิสัยดุนิสัยพูดช่วงจานิสัยพูดไม่เข้าหูคนพูดง่ายๆถึงจะเป็นพระอรหันต์แลว้วก็ตามก็ยังมีอยู่นิสัยพูดไม่เข้าหูคนเพราะเหตุไรก็เพราะว่านินสัยวาสนาแก้ไม่ตกแต่ผู้ที่แก้ตกก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวท่านว่าละวาสนา บุญวาทนาทุกการนิสัยวาทศนาเนยนิสัยคือคือนิสัยคื อ, คอเคยทำอย่างไงมาก่อนวาทนาเนี่ยละได้มีมีแต่พุท ธ, ธองค์เดียวสาวากะนี่บุญลวาทนาไอคร่านิสัยวาทนาเนี่ยแก้ไม่ตกอย่างภาษาริบดเนี่ยท่านเป็นอ克拉สาวกของพระพุทธเจ้าท่านไปที่ไหนก็น่าจะสํารวมระวังเรียบร้อยแต่ท่านเดินไปทด่ไหนพอเห็นคลองเห็นอะไรกระโดด มืนกระโดดเหมือนกระเด็กพระสงฆ์ทั้งหลายเห็นกับอากับกิริยาของพระสาวกทั้งที่เป็นพระหรหันสอสสติอย่งเป็นสาวกขวาของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากแต่อากับกิริยานี้ดูแล้วไม่น่าเลื่อมใสเหมือนกับอะไรเหมือนกับสามัญชนหรือว่าคนที่ไม่ได้รับการศึกษาจากนั้นพระสงฆ์เห็นอากับกิริยาเพียงเท่านั้นก็นมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่วา ท่นานภาษาเลบุตรเดินไปที่ไหนข้ามคล อ, ง ก, องกระโดดขึ้นขอนไม้นึกกระโดดชอบกระโดดพระพุทธเจ้าบอกว่าสาเลบุตรเคยเป็นลิงมาก่อนเคยเป็นลิงติดภพติดชาติมานานนมนานนิสัยลิงยังมีอยู่จิตใจกระโดดนิดสัยละวาดสนานแก้ไม่ตกสาวกมีแต่พุทธะเท่านั้น่ต้อง ดูแลแก้อกับกิริยาเข้ากับเรื่องราวเหตุการณ์นานๆได้กับภาษาวกแล้วจะแก้ตามนิสัยของท่านเพราะนั้นเราต้องดูอย่างพระปิรินทวัตชาเหมือนกันไอ้ถอยพูดกับคนจนคนโกรธโมโหให้ทั้งที่ท่านไม่มีเจตนาแต่ท่านนิสัยของท่านเป็นคน มาตั้งแต่พบหลายพบหลายชาติเหล่านี้เป็นตน้นเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านจะดุด่าว่ากาวแต่ท่านมีคุณธรรมท่านดุแล้วก็จบทําไม่ได้วาอะไรแต่บางคนบางท่านก็ออกไปเผาจิตเผาใจของตนเองนมนานทีเดียวเผือเพยังสร้างบาปกรรมอีกต่างหากสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราได้ศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วพวกเราก็จะมองได้หลายมุมอได้หลายหลายมุมว่าวางตัวยังไงทำใจยังไงเราอยู่ในโลกนี้มันมีมากหลากหลายเพราะนั้นเราจะประปับปรุงแก้ไขตัวของเราอย่างไรจรึงจะเข้ากับสถานการณ์เรื่องราวที่การเป็นอยู่ในเฉพาะหน้านั้นเสียงเหล่านี้ก็พวกเราต้องใช้สติใช้ปัญญานะพาลูก้าหลานทั้งหลาย แล้วก็พร้อมการให้พวกเราตั้งอกตั้งใจนะเรื่องพูดเรื่องคุยกันอย่าให้มีมากจนเกินไปไม่ใช่เรามาบวชเข้ามาแล้วก็มาคุยกันไม่มีทางออกจิตใจหมกมุ่นเสร็จแล้วก่อนไม่มีอะไรกับคุยกันนี่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกการคุยกันมันเป็นสัญญาอารมณ์อีกต่างหากเพราะนั้นเราควรจะฝึกหัดดัดนิดสัยตัวเองให้เป็นคนมีมารยาทเขียมขึม้แล้วก็หนักแน่น ให้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนออหลักธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าสอนอยังไงชั้นเชิงเล่เหลี่ยมการเป็นอยู่ของเราที่เราจะเป็นครรวาตยาดโยมสิ่งเหล่านั้นเราจะต้องศึกษามีตั้งเยอะแยะในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าศีลและวินยัยกฎระเบียบชาดกเรื่องที่เราจะต้องศึกษาการเป็นอยู่ต่างๆกิริยาม ร, รยาทศีลของพระนี่กเตอะ ที่ผมยกแล้วยกอีกให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเพียงแต่การอยู่การฉันเท่นั้นอ่ะอย่างสวดปฏิโมกจบลงสักครู่นี้การอยู่การฉันเราเป็นวงของกษัตริย์วงของศากยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าศากยะเราเป็นลูกของศักยะพระพุทธเจ้านับว่าเป็นบุตรของพระองค์ศากยบุตรพุทธชินนรต เราวางตัวยังไงกิริยามารยาทเราจะไม่ฉันดังจับๆเราจะไม่ฉันดันสูส้ๆเราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากเราจะไม่ฉันกัดคำข้าวเราจะไม่ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุยเราจะไม่ฉันพลางสะบัดมือพลางล้วนแล้วจะเป็นมารยาทที่ดีทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ควรศึ ก, ศกษาเราควรจะศึกษาแล้วก็การอยู่การฉันก็เหมือนกัน เวลาเราฉันเสร็จเรียบร้อยเราจะลุกจากที่เราต้องดูมีเมล็ดข้าวไม่มีผักไม่มีน้ําหยดไหมเราต้องเช็ดให้สะอาดเรียบร้อยรอบข้างข้างของเราเราจึงค่อยลุกนี่อันนี้แหละคือพวินยัยเราจะไม่ฉันพลางสมบัตมบิมือพลางเรามาฉันโปรยเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาดหรือในที่นั้นๆสิ่งเหล่านี้เป็นกิริยามารยาทของกษัตริย์เป็นสมบัติของผู้ดี เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกลูกหลานไปอยู่นัสถานที่ใดไปนัสถานที่ใดอยู่นัสถานที่ใดเข้าชุมชนใดนําไปใช้เกิดประโยชน์ทั้งนั้นเป็นมารยาทที่ดีเราฉันอยู่เราจกไม่พูดเมื่อคําข้าวอยู่ในปากเราจกไม่พูดเราจกไม่ฉันทํากระพุ้งแก้มให้ตุย๋ยเหล่านี้เป็นตน้น เ, เรามันงามไหมเรามา พ, พิจารณาดูซิมันไม่งามจริงๆนะถ้าทาอย่างนั้น ถ้ามีกิริยามารยาทเข้าสู่ชุมชนและสังคมเป็นที่ยอมรับเข้าไปยนสถานที่ใดเป็นที่ยอมรับไม่โ ม, มมามไม่โ ม, มมามไม่แสดงอากับกิริยาที่ดูดูแล้วเหมือนกับคนที่ไม่ได้รับการศึกษาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆคน จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าจากนั้นเราเคยได้สอนลูกน้องบริวาร ล, ลูกหลานของเราให้เป็นคนดีให้อยู่ในหลักพระธรมวินัยให้อยู่ในศีลให้อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบถ้าเราเรียนรู้แล้วนะเราก็สอนลูกสอนหลานเวลาลุกขึ้นมาให้สังเกตดูที่นั่งของตนเองให้สะอาดเรียบร้อยแล้วยังคอยลุกนี่อันนี้เรคือวินัยศีลและวินัย ส่วนธรรมก็คือแนวความคิดี่ตรงพ่อได้บอกได้สอนทุกเชา้าทุกเย็นทุกเชา้าเรื่องภาวนาเนี่ยอันนั้นคือเครื่องดูจิตใจของพวกเราใจของเราคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงจึงจะเห็นทางเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดยังไงดูร่างกายสังขารของตนเองดูร่างกายของตนเองร่างกายของเรามีอะไรบ้าง ในเนี้ยตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยมีหนังหุ้มโดยรอบเนี่ยเราก็ได้ท่องอาการสามสิบสองยังโค้หมีกายอยู่กายของเรานี่แหละพวกเราก็ได้ยินจริงไหมร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะและอีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราเนี่ยจะต้องแตกสลายลงสู่ดินน้ําลงไปตายพูดง่ายจริงไหม ใจของเราเนี่ยมันติดอยู่กายใช่ไหมหลงอยู่ในกายใช่ไหมว่ากายเนี่ยเป็นของเราจีรังถาวรใช่ไหมพูดคุยกันมีแต่เรื่องฮะเรื่องยู่เรื่องกินเรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องเที่ยวเรื่องเตรเอากายนี้ไปใช่ไหมกายนี้จะอยู่นานจากเท่าไหร่เราเห็นคนแก่ไหมเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบแล้วเป็นยังไง เ, เขานอนอยู่กับที่ไปที่ไหนไม่ได้กระดุกกระดิกไม่ได้นอนอยู่กับเตียงแล้วเป็นยังไง บางคนยังมีสายพโยงพยังอิลุงตุงนางไปหมดไม่รู้วาสายออกซิเจนไม่รู้ว่าใช้ให้อาหารไม่รู้ว่าใช้สีดยาเขาน้ําเกลือในตัวของเขาอีกสักวันหนึ่งเป็นยังไงตายใช่ไหมใช่เนี่แหละพราะพระไเจ้าว่าร่างกายสังขารเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกถ้าเป็นอย่า ง, งนั้นทุกฤสุขทุกเนี่แหละร่างกายเป็นทุก จากนั้นของที่เป็นอนิจจังของไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์เราจะยึดทุกข์นั้นเป็นของเราใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชพระพุทธเจ้าครับอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาคือร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราปฏิเสธไว้นะในใจนะาจากนั้นเราก็ภาวนาบริพิจารณาอนาาิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราขนาดร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรา สิ่งอื่นเงินคำทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์พี่น้องเพื่อนฝูงวัดว า, าศาสนาอัฐิบริการบริการแปดของเราเป็นของเราใช่ไหมแหมไม่ใช่ถามใครทธเนี่ยเขาบอกไม่ใช่เป็นถามใครถามใจทธนี่ยใจคือนามะคําตัวรู้เนี่ยะอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนี่แหะถามตัวนี้แหะตัวนี้เราเป็นหลงหลงสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นเราภาวนาเมื่อจิตใจสงบนิ่งเสร็จแล้วนะ เราให้ดูใจนี่ะ เ, เอาใจถนัดพิจารณาร่างกายเกสาผมโรมาขนอันกลั่นกรองไต่ทองด้วยเหตุและผลจากนั่นก็ใจนะอย่าหลงร่างกายนะใจนะอย่าหลงตัวเองนะอีกสักวันหนึ่งนะจะต้องทิ้งแน่ๆ น, นะธาตุขันร่างกายในะใจนะอย่าหลงนะอย่าหลงตัวเองนะอย่าลืมตัวนะใจนะเมื่อใจไม่หลงใจใจไม่ลืมตัวเห็นตามความเป็นจริงเมื่อนั่นแหละใจอิ่ม เบื่อหน่ายคลายใจยใจเขาจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ยึดมั่นถือมั่นร่างกายจะไปยึดทังไหนถ้ายึดไปกระเท่านั้นอีกสักวั น, นเขาจะไปเผาไฟทิ้งอยู่แล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พ่อหลูกพ่อหลานพาน้องพานุ่งทั้งหลายภาวนาดูศีลและวินัยกจะให้ขาดตกปกพ้องพอเราบวชเข้ามาแล้วเรื่อง ทำในใจก็ให้พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ทุกขังอันินจังอนัตตาเห็นร่างกายสรังขารดูกายดูใจดูใจดูกายจากนั้นก็ให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วใจก็จะไม่ยึดไม่ยึดร่างกายว่าเป็นตัวตนของเรายึดยังไงยึดว่าร่างกายเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วผุพังเน่าเปื่อยอยู่แล้วอย่าวัยใจเนี้ยเป็นของของเราอยู่แล้วใจ ใจมันก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงจ้านั้นก็เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคายไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหล ะ, ะมรรคผลนิพพานหรือ ว, ว่าความบริสุทธิ์ดุดพ้นในหลักของพระพุทธศาสนาจุดนั้นแหละแต่ก็ต้องใช้เวลาน ะ, ะแต่เว้นเสียแต่ผู้มีบุญวาสนาบารมีเก่าแก่พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางพดพับโยนเทงตึงเลยจบแต่ถ้าว่าผู้ที่ยังไม่นั้นก็ต้อง จับจับวางวางจับจับวางวางวางวา ง, วา ง, วางจับจับคนคว้าศึกษาอยู่อย่างนั้นแหละพอแรงมันมาจริงจะถอยวางได้ทรางขอยพวกเราทุกๆองค์นะถ้าต่อนนี้ไปสุดท้ายปฏิโมกนะทีนี้นะ